วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเก้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ยินดีในรถแห่งธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรม ด้วยการนั่งฟังเทศฟังธรรมและการนั่งสมาธิตามลำดับธรรมะที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงลถแห่งธรรมนี้คือลถอะไรลถแห่งธรรมก็คือลถของการทาบุญชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พุทธศาสนิกชนได้กระทากันบุญนี้แปลว่าความสุขใจหิ่มใจพอใจเป็นความสุขที่ต่างจากความสุขที่ได้จากการสัมผัสสิ่งต่างๆทางโลกกระทำคือทางลาบยศสารเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผะพชนิดต่างๆ รสแห่งธรรมคือรถของบุญนี้เวลาได้สัมผัสแล้วจะทําให้ใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอและจะไม่มีความหิวโหยตามมาในภายหลังไม่มีความทุกข์ตามมาในภายหลังต่างจากการได้เสพลูกเสีย ง, งกินรสผลถา้าการได้สัมผัสกับราบยศสารเสริญ เป็นความสุขที่จะมีความหิวความอยากตามมาและจะมีความทุกข์ตามมาเพราะว่าความสุขจากราบยศ ส, สรรเสิญจากรูปเสียงจิตลดเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวเวลาได้มาก็เกิดความสุขแล้วไม่นานมันก็จะจางหายไป แล้วก็จะเกิดความหิวความอยากได้เพิ่มขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้ตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจตามมานี่คือความแตกตา่างระหว่างความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมหรือลดของความสุขทางโลก และรสของความสุขทางธรรมต่างกันตรงที่มีความหิวมีความอิ่มต่างกันมีความสุขมีความทุกข์ต่างกันการได้ทำบุญแต่ละชนิดนี้จะไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเพราะจะไม่มีความอยากที่จะได้ ้ถึงแม้ว่าจะมีความอยากก็เป็นความอยากที่ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับใจเหมือนกับความอยากจากโลกธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเพราะรถแห่งธรรมนี้จะสร้างความสุขไปภายในใจให้เพิ่มมีมากขึ้นไปตามลําดับของระดับของความสุขต่างๆ แล้วกใ็ในทางเดียวกันในเวลาเดียวกันก็จะช่วยกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความหิวความอยากต่างๆที่มีอยู่ในภายในใจให้ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยมีแต่ความอิ่มความพอเพียงอย่างเดียวตามจากความลุก ความสุขจากทางโลกธระททั้งสี่ยิ่งได้ยิ่งอยากได้มากขึ้นเช่นได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพันได้พันแล้วก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้เท่าไหร่ไม่อิ่มไม่พอเมื่อไม่อิ่มไม่พอก็จะต้องคอยดิ้นรน คอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับคนที่ไม่มีเงินมีทองทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ก็ยังไม่อิ่มไม่พอยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆทั้งๆ ท, ท, ที่ได้มาก็เอามาใช้ไม่หมดใช้ไปจนวันตายก็ไม่หมดแต่ธรรมชาติของความอยากของความหิวนี้มันทำให้เกิดความไม่อิ่มไม่พอขึ้นมา ธรรมชาติของโลกกระทเป็นอย่างนี้จะไม่ให้ความอิ่มความพอกับผู้ที่ได้เสพได้สัมผัสแต่กลับจะให้ความผิวความอยากเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอยากไปจนกระทั่งถึงวันตายก็ยังไม่อิ่มไม่พอได้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังไม่อิ่มไม่พอได้เป็นมหาจากกักรพรรดิได้เป็นบรานาธิบดี อะไรได้เป็นอะไรก็ตามก็จะไม่อิ่มไม่พอก็จะอยากไปเรื่อยๆอยากไปจนถึงวันตายแล้วก็ยังไม่หมดเวลาที่ถึงวันตายแล้วความอยากมันก็ยังอยู่ต่อไปในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่อยู่ภายในใจก็จะดึงใจให้ไปกลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาราบยศสรรเสริญ มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอีกไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่กลับมาเกิดก็ต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายเจอกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บไข้ได้ป่วยของความตายเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง เจอกับความทุกข์ที่จะต้องเจอกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่พึงปรารถนานี่แหละคือลดของความสุขทางโลกจะเป็นอย่างนี้จะพาให้สัตว์โลกกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ในทางกลับกันความสุขทางธรรมหรือลดของความสุขทางธรรมนี้จะมีแต่ทําให้ จิตใจมีความอิ่มมีความพอขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือมอิ่มอย่างเต็มที่พออย่างเต็มที่ไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรหลงเหลืออยู่อีกต่อไปเ <pt ain> มื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะไม่มีตัวที่พาให้ใจต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไป ไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพหน่อยภพน้อยภพใหญ่อยู่เรื่อยๆนี่หละคือเรื่องของความวิเศษของรถแห่งธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสว่าชนะรถทั้งปวงถ้าใครอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงต้องเข้าหารถแห่งธรรมเพียงอย่างเดียว ไม่มีรสอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดความอิ่มความพอภายในใจของผู้ที่ปฏิบัติได้นอกจากรถแห่งธรรมที่มีแบ่งไว้เป็นระดับสี่ระดับด้วยกันระดับทานระดับศีลระดับสมาธิและระดับปัญญาตามลำดับถ้าสามารถปฏิบัติ ผ่านได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ก็จะได้ลถแห่งธรรมที่เหนือกว่าลถทั้งปวงได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตามตอนไปก่อนตามกำลังของผู้ปฏิบัติจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลำดับ เหมือนกับการเรียนหนังสือในโรงเรียนที่จะต้องเริ่มต้นจากขั้นที่ง่ายก่อนเช่นขั้นอนุบาลแล้วก็ขยับขึ้นสู่ขั้นประถมขั้นสู่มัธยมขั้นสู่ระดับอุดมศึกษาระดับป ร, ริญญาตีโทเอกตามลำดับไปไม่ใช่พอจะเริ่มต้นก็จะเริ่มขึ้นไปเรียนที่ระดับป ร, ริญญาเอกเลย ซ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ตามกําลังของผู้ที่เข้าศึกษาเข้าเริ่เรียนพอะยังไม่มีกําลังความสามารถพอที่จะเรียนในระดับสูงได้ชั้นใดของผู้ที่เข้าหารถแห่งธรรมก็เป็นเหมือนผู้ที่เข้าโรงเรียนใหม่ๆที่จะต้องเริ่มต้นจากขั้นง่ายขึ้นไปก่อนแล้วไต่เต้าขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลําดับ ยกเว้นพวกที่เคยได้เรียนมาแล้วในอดีตชาติก็อาจจะสามารถที่จะข้ามชั้นได้เหมือนกับถ้านักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนที่จังหวัดหนึ่งอ ย, อยู่ในระดับประถมจบชั้นประถมจะขึ้นมัธยมพอย้ายจังหวัดไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็สามารถเข้าไปสู่ชั้นระดับมัธยมได้เลย ไม่ต้องไปเริ่มต้นที่อนุบาลหรือที่ชั้นมที่ชั้นปฐมใหม่เพราะได้เรียนผ่านมาแล้วบุคคลที่มาสัมผัสกับรถแห่งธรรมก็เป็นอย่างนั้นบางบุคคลก็ไม่ต้องทำทานไม่ต้องมาเรียนวิธีทำทานไม่ต้องมาเรียนวิธีรักษาศีลห้าเพราะได้เรียนมาแล้ว ชาติก่อนเคยได้บวชเป็นนักบวชเคยรักษาศีลแปดมาแล้วเคยฝึกสมาธิมาแล้วเขาก็จะมากไปเป็นนักบวชกันเลยไปบวชเป็นพระหรือเป็นแม่ชีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาศีลแปดแล้วก็ให้เวลากับการปฏิบัติทำปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติปัญญาตามลําดับนี่คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มาเกิดในโลกนี้ที่เข้าแสวงหาลสแห่งธรรมบางคนก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้นระดับทานทำบุญทำทานไปก่อนเพราะว่ายัางไม่สามารถทำอะไรที่ยากกว่านี้ได้อาจจะยังรักษาศีลห้าไม่ได้ครบอาจจะรักษาได้เพียงบางข้อทำบุญไปรักษาศีลห้าไปฝึกขัดไปก่อน แล้วต่อมาก็อาจจะมาเริ่มรักษาศีลแปดในวันพระแล้วก็มานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อจเจริญปัญญาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนในทุกๆวันพระก็จะหยุดภารกิจการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการสร้างรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง ที่ชนะรสของราบยศสะลรเสรินสุขมารักษาศีลแปดมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนตลอดระยะ1วหนึ่งวันกับ1นึคืนเพราะการสร้างสมาธิกับนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลามากต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนคือต้องจเจริญสติก่อนถึงจะสามารถนั่งสมาธิ ทำใจให้นิ่งให้สงบได้ <Okay. S 2> ถ้ายังไม่ได้หยุดทำงานถ้าต้องไปทำงานทำการ <Okay. S 2> เวลาที่จะมาะเจริญสตินั่งสมาธิก็จะไม่ ม, ไมีมีก็น้อยมากไม่พอเพียงต่อความสงบที่ต้องการได้ <Okay. S 2> ต้องมีการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับ <Okay. S 2> แล้วก็ มีเวลานั่งสมาธิตามอัธยาศัยจะนั่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็นั่งได้เพราะไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทำแล้วถึงจะค่อยไปขั้นปัญญาต่อไปได้ไปเรียนรู้หลักถ้าจะทำความจริงเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมาเรื่องของเหตุของความทุกข์เรื่องของการดับความทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องเรียนเพื่อสามารถ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็ลดแห่งธรรมที่ได้จากการปฏิบัติแต่ละขั้นนี้ก็มีความหนักเบาต่างกันลดแห่งความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานก็จะมีความสุขน้อยกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลไม่กระทำบาปแล้วก็ ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลแปดคือการละเว้นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆและการฝึกสติทำใจให้นิ่งให้สงบก็จะเป็นความสุขที่มากกว่าที่หนักแน่นกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลจากการทำบุญทำทานแล้วความสุขที่ได้จากการใช้ปัญญาพิจารณา ให้เห็นทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและสามารถดับความทุกข์ได้ด้วยการเห็นว่าสิ่งที่ที่อยากจะได้นั้นเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีไ ม, ไม่ไม่เป็นของของใครไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมบังคับรักษาไว้ให้เป็นของตนไปได้ตลอดได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งก็จะต้องสูญเสียไปพัดพกากจ่ากันไป พ อ, อกเกิดการสูญเสียเกิดการพัดผ้า ก, ก็จะกลายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดสภาพแปรปรวนไปเปลี่ยนไปเรื่อยหมดไปถ้าได้ถึงขั้นปัญญาก็จะสามารถได้ลดแห่งธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เข้าสู่บรลมาสมุขของพระนิพพานตามลำดับอันนี้คือวิธีการที่ผู้ปฏิบัติที่อยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมจะต้องมีการกระทาเราสามารถสำรวจได้ว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างเราทำบุญทำทานได้มากน้อยเพียงไรเรามีทรัพย์สมบัติเช่นก้อนเรามีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ แล้วเราสามารถแบ่งปันบริจาคทรัพสมบัติของเรานี้ไปได้ร้อยละเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ถ้าเราทำได้ร้อยทั้งร้อยนี่แสดงว่าเราไม่มีความยึดติดในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเลย <Yeah. S 1> ผู้ที่จะสามารถตลาดทรัพสมบัติเข้าของเงินทองร้อยทั้งร้อยได้ <Yeah. S 1> ก็เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติเป็นนักบวชในรูปแบบของนักบวช เพื่อนผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ก็จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดยกให้คนอื่นไปจะให้ใครก็ได้แต่จะไม่มีความผูกพันกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะทรัพย์สมบัติเงินทองนี้แม้จะมีคุณมีประโยชน์สำหรับการวาสผู้ครองเองินาะจาเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ไว้การเลี้ยงดู แต่พอมาเป็นนักบวชนี้ถ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวมาด้วย mm hmm. ก็จะกลายเป็นภาระคอยขัดขวางการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นที่จะทำให้จิตสงบมากขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นทรัพย์สมบัติที่เคยเป็นคุณเป็นประโยชน์ในขณะที่เป็นคารวะาุกข์ครองเรือน mm hmm. ก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ พระพุเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ให้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปไม่ให้มีข้าวของเงินทองติดตัวมายกเว้นอัฐาบริขารเครื่องจําเป็นเครื่องอยู่อาศัยของนักบวชเท่านั้นอัฐาบริขารก็แปลว่าเครื่องใช้ไม้สอยแปดชนิดด้วยกันที่จําเป็นต่อผู้คลองหรือต่อผู้ที่เป็นนักบวชคือหนึ่งต้องมี บาดบาดไว้สำหรับบินทบาดเลี้ยงชีพแล้วก็มีผ้าจีวรสามผืนไว้นุ่งไว้หม่มไว้ห่มกันหนาวมีผ้านุ่งหนึ่งผืนมีผ้าหม่มหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าอีกผืนหนึ่งที่เป็นสองชั้นทำไว้สำหรับห่มกันหนาวในช่วงฤ ด, ดูหนาวบริขารเป็นผ้าสามผืน บ, บาทดหนึ่งไปก็เป็นสี่แล้วก็ต้องมีประคบเอว คือเข็มขัดรัดเอวเพราะว่าเสื้อผ้าผ้าของพระนี้ไม่มีไม่มีกระดุมไม่มีซิปอะไรก็ต้องมีเข็มขัดที่เรียกว่าประคดเอวมารัดไว้เวลานุ่งสบงก็เป็นห้าชิ้นแล้วก็มีใบมีดโกสนสําหรับไว้โกนหนวดโกนผมหกชิ้นชิ้นที่เจ็ดก็ให้มีเข็มกับได้ไว้สําหรับซ่อม เวลาจีวรขาดก็มีการซ่อมจีวรเองได้แล้วชิ้นที่แปดก็มีที่กรองน้ำเพราะในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลไม่มีน้ำประปาไม่มีน้ำที่ใสบรรจุขวดอย่างที่เรามีในปัจจุบันนี้ต้องไปตักน้ำตามลำห้วยลำทานซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ในนั้นอยู่ในน้ำก็ต้องมีที่ตักที่สามารถแยกน้ำออกจากจากตัวสัตว์ได้เรียกว่าที่กรองน้า <pouch. S 1> นี่คือสมบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้นักบวชหรือนักปฏิบัติทรมีเพ or ียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อการอยู่ส่วนที <tr> ่อยู <tr> ่อาศัยของนักบวชในสมัยพุทธกาลก็ถ้าไม่มีกุติก็ให้ไปอยู่ตามโคนไม้ทำเอากิ่งไม้ใบไม้มามุงมาบังพอให้หลบแดดหลบฝนได้ก็พออยู่กันแบบง่ายๆอยู่กันแบบ เรียบเรียบแล้วก็อยู่แบบสงบเพราะอยู่ตามป่าตามเขานี้จะเป็นที่ที่ไม่มีใครมาพุกพ่านไม่มีใครมายั่วยุมาก็มาสร้างความลำคาญให้กับใจผู้ที่สวางความสุขอยากความสมถถงบลดแห่งธรรมจาเป็นที่จะต้องไปเปวิเวกกันก็อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามป่าตอปหรืออยู่ตามเรือนล้างหรืออยู่ตาม ตามถาม้ำตามเงื่อนผาเป็นต้นคือไม่ให้วุ่นวายกับการสร้างที่อยู่อาศัยเพราะถือว่าเป็นที่อยู่ชั่วคราวอยู่ไปไม่นาน mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องตายตายไปแล้วก็จบ mm hmm. ไม่มีความจาเป็นจะต้องมีคาหาฮาย mm hmm. หรูหรามีบ้านใหญ่โต mm hmm. ตายตายไปก็ทิ้งให้คนอื่นเขาไปเสียเวลามเวลาของการที่จะมาหารถแห่งธรรม ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมให้เอาเวลามาทุ่มให้กับการปฏิบัติรรมเพียงอย่างเดียวจะดีกว่ามาเจริญสติมานั่งสมาธิตามลำดับพอได้สมาธิแล้วก็ค่อยไปเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งปวงให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคนจะอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะล้นจะทาให้กายเป็นความทุกข์ต่อไป เป็นต้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบปราศจากทรัพสมบัติข้าวของเงินทองได้เราก็ยังจะติดอยู่กับรถแห่งธรรมขั้นต้นก็คือได้แต่ทำบุญทาทานพอประมาณทำร้อยละสิบบ้างร้อยละห้าบ้างของทรัพย์ทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองส่วนอีกส่วนอื่นก็เอาไปใช้กับเรื่องอย่างอื่น ยังอาจจะยังต้องไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ต้องใช้เงินทองนี้ไปเป็นเครื่องมือเงินทองที่จะมาเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจก็จะกลายเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรูกับจิตใจถ้าเอาเงินทองไปหาความสุขจากราบจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาชนิดต่างๆเพราะเป็นมันเป็นการหาความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอ หามาได้เท่าไหร่ก็หิวโหยอยากจะได้เพิ่มอยู่เรื่อยๆน่า จ, จะทำให้ต้องมาวุ่นวายกับการที่จะต้องคอยมาหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะมาใช้กับการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิริลดถ้าเรายังอยู่ในขั้นนี้อยู่เราก็ต้องพยายามลดละการใช้เงินใช้ทองไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย เพื่อเอาเงินทองเอาเงินทองเหล่านั้นไปบริจาคเอาไปทำบุญทาทานหัดอยู่แบบที่เราไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจะดีกว่าอยู่ด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิ mm hmm. ซึ่งขณะที่เราเป็นค า, ารวะผู้ครองเรือนเราก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติทราได้ถึงแม้จะไม่มีเวลามากเท่าที่กับเป็นนักบวชแต่ก็พอที่จะสามารถบรรเทาความ เพิ่งพาใสยในความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้พยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็ด้วยการเอาเงินที่เราจะมาซื้อรูปเสียงกลิ่นลดนี้ไปทำบุญทำทานเวลาเราบริจาคเงินทองช่วยเหลือผู้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อน หรือช่วยสนับสนุนองค์กรที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมเช่นสนับสนุนพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนโรงพยาบาลก็ตามเวลาเราได้ทำแล้วเงินทองที่เราเสียไปนี้จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจน่าจะลดความหิวโหวยของใจกับการที่จะไปหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ ทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่มีความจำเป็นของที่ให้ความสุขชั่วประเดียวประดาแต่ไม่ได้ให้ความอิ่ความพอแต่กลับจะสร้างความหิวความความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นก็เอาเงินเหล่านี้ไปทาบุญทาทานทำกับใครก็ได้ทำกับคนที่มีพระคุณกับเราก่อนก็ดีทำบุญกับพ่อกับแม่ก่อนผู้ที่มีพระคุณที่เขาดูแลเราช่วยเหลือเรา ถ้าเรามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณก็ควรที่จะทำเป็นการทำบุญที่ได้ประโยชน์ได้ความสุขให้ลดแห่งธรรมจะทาให้ใจเราอิ่มล้วสบายจะไม่ค่อยหิวโหวยกับความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือวิธีการทำบุญทําทานเพื่อตัดการใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ไม่ถูกเอาเงินทางนี้มาบริจาคมาช่วยเหลือคนอื่น เราทให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มความพอแล้วจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าหารถแห่งธรรมที่ขั้นสูงกว่าได้ถ้าเราทำบุญ ท, ทาทานอย่เรื่อยๆใจเราก็อยากจะเข้าหาความสงบที่เกิดจากการรักษาสีนแปดเกิดจากการนั่งสมาธิเราก็จะเข้าวัดบ่อยขึ้นเข้าหาที่สงบบ่อยขึ้นเพื่อเพื่อมาสร้างความสุข สร้างรถแห่งธรรมที่สูงกว่ารถแห่งธรรมที่เราได้จากการทําบุญทําทานนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเบื้องต้นเราต้องพยายามสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองว่าให้ไปกับการทําบุญให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เก็บไว้เท่าที่เราจําเป็นจะต้องมีก็พอเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พออย่าปล่อยให้เอาเงินทองไปซื้อของที่เป็นอันตรายต่อจิตใจ คือหาความสุขจากลาบยกสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆอันนี้เป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดมาเสพพราเสพแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเสพแล้วก็ติดเวลาไม่ได้เสพก็จะรู้สึกหงหุดหงิดําคาญใจเศร้าเศร้าใจเหงาใจแต่ถ้ า, าไปทำบุญทาทานแล้วจะไม่รู้สึกเศร้าใจเหงาใจไม่รู้สึกหิวโหยจะมีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอแล้วจะทําให้ อยู่กับบ้านได้อยู่กับที่ได้ไปอยู่วัดก็ได้ไปปฏิบัติธรรมก็ง่ายอันนี้คือขั้นต้นของการทําทานทําทานรักษาศีลห้าควบคู่กันไปก็จะได้ความสุขในระดับต้นก็แั่งทำระดับต้นแล้วเราก็พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับกลางในความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลแปนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบ แล้วหลังจากนั้นล้วก็ขึ้นไปสู่ระดับสูงคือระดับขั้นปัญญาต่อไปเพราะจะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ก็ต้องผ่านขั้นสมาธิไปก่อนถ้าจิตยังไม่มีสมาธิจิตจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ต้องอาศัยสมาธิเป็นผู้คอยหยุดความอยากเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่าสิ่งที่อยากนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทาให้ใจต้องเจอกับความทุกข์ ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความต่างอยากต่างๆได้หมดสิ้นไปยากใจความรอดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของพันนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มอยู่ภายในหัวใจเมื่อได้ถึงพันธนิพพานได้ความสุขที่ยั่งยืนถาวรแล้วก็จะไม่มีไม่มีการหิวไม่มีความอยากหลงเหลืออีกต่อไปจะอิ่มไปอย่างนั้นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เป็นความอิ่มเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่จะทำให้จิตของผู้ที่มีนิพานนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากการเวีนวายตายเกิดอีกต่อไปการมีนวายตายเกิดก็จะถึงที่สิ้นสุดลงอันนี้แหละคือความวิเศษยิงใหญ่ที่สุดของรถแห่งธรรมโดยจะทําให้จิตของผู้ที่ได้สัมผัสกับนิพานนี้มีแต่ความสุขไปตลอด ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะไม่มีการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนั่นเองนี่ก็คือเรื่องลแถแห่งธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ที่มีตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลายขั้นต้นก็คือการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าขั้นกลางก็คือการรักษาศีลแปนั่งสมาธิทำใจให้สงบขั้นปลายก็คือการเจริญปัญญาเพื่อตัดทเลน ทั้งหมดให้หมดส้นไปจากใจเมื่อทําได้ทั้งสามขั้นแล้วใจก็จะได้ลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงอย่างสมบูรณ์แบบและจะเป็นความสุขที่จะไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดอีกต่อไปการแสดงตหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้เราก็จะเอาเวลาอีกเหลืออีกประมาณสามสินาทีโดยประมาณ <c oughs> มานั่งสมาธิกันเราสร้างความสุข เราแ่งทำระดับต่างกันทำจิตใจให้นิ่งให้สงบพอเวลาจิตใจนิ่งสงบแล้วใจที่วุ่นวายที่รุ่มร้อนด้วยความอยากความโลภความหลงต่างๆก็จะสงบตัวลงพอความเหตุที่ทำให้ใจรุ่มร้อนคือความโลภความอยากต่างๆสงบตัวลงความเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาความทุกข์ที่เคยมีก็จะหายไปชั่วขา่าวว่ามีแต่ความสุขเข้ามาแทนที่ าการนั่งสมาธินี้ยังไม่ใช่เป็นขั้นปัญญาเราต้องเข้าใจเวลานั่งสมาธินี้เรานั่งเพื่อให้ใจนิ่งให้สงบให้หยุดคิดปรุงแต่งให้หยุดทํางานเพื่อให้ใจมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพียงแต่ว่ายังเป็นความสุขแบบชั่วคราวยังไม่ได้เป็นความสุขแบบพานิพานนี่เป็นความสุขอย่างถาวรอนก็ เพราะว่าสติเหตุที่ตัวที่ทําให้จิตนิ่งสงบนี้ไม่สามารถทําให้จิตนิ่งสงบได้อย่างถาวพรพอเวลาสมาเวลาจิตเสื่อมเวลาสติเสื่อมลงเมื่อไหร่จิตที่นิ่งสงบก็จะเริ่มทํางานขึ้นมาพอเริ่มทํางานกิเลสปัญหาที่ที่หยุดไปกับการทํางานของจิตก็จะออกมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจอีกต่อไป ต้องเราขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาถึงจะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาออกไปจากจิตจากใจได้อย่างถาวรแต่ในเบื้องต้นเราต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปขั้นปัญญาได้หลังตอนนี้เราจะมาทําขั้นสมาธิกันคือขั้นหยุดจิตไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งให้จิตสักแต่ว่ารู้มีอารมณ์เดียวคือเป็นสักแต่ว่ารู้ mm hmm. เอกคัตตารมให้รู้เฉยๆให้รู้กับความนิ่งความสงบของใจ ใจจะนิ่งจะสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจถูกใจไว้อยู่กับอารมณ์ที่จะทําให้ใจนิ่งให้สงบอารมณ์ที่ทําให้กล่อมใจให้สงบเรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. เช่นนะการบริกรรมพุทธโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งการดูลมหายใจเข้าออกหรือการสวดมนุ่ก็เป็นการเป็นกรรมฐานที่จะผูกใจให้นิ่งให้สงบตามกําลังของกรรมฐานแต่ละชนิดตามกําลังของ องสติของผู้ปฏิบัติเวลาเริ่มต้นใหม่ๆสติอาจจะน้อยอาจจะคิดๆใจอาจจะคิดมากคิดไม่หยุดไม่หย่อนเริ่มต้นก่อน จ, จะต้องอาศัยการใช้การสวดมนต์ไปก่อนนั่งหลับตานั่งในค่าขัดสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดบทที่เราจําได้จะสั้นหรือจะยาวก็ได้ข้อสํคาคัญให้สวดอย่างมีสติคือไม่ให้ใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการสวดมนต์เพลงไปอย่างเดียว ไปจนกว่าใจจะเบาความคิดต่างๆเบาบางลงแล้วเริ่มมาดูลมหายใจได้แล้วเริ่มบริกรรมพุทโธได้ก็ยหยุดการสวดแล้วเปลี่ยนมาดูลมหายใจเปลี่ยนมาบริกรรมพุทโธแล้วก็ให้อยู่กับกรรมฐานที่เราเลือกจะเป็นพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจะเป็นลมก็อยู่กับลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับอะไรที่จะปรากฏขึ้นในขณะที่นั่ง บางทีอาจจะมีเสียงเข้ามาบางทีอาจจะมีภาพปรากฏขึ้นมาบางทีอาจจะมีอารมณ์มีความคิดเข้ามาแทรกก็อยากไปสนใจหรือบางทีจิตก็เริ่มสงบก็ไม่ต้องไปสนใจกับความสงบที่กำลังเริ่มขึ้นให้ติดเกอติดอยู่กับกรรมาฐานไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ไปไม่ถึงจุดจุดปลายทางคือความนิ่งสงบอย่างอย่างเต็มที่ เมื่อเราไปถึงจุดนั้นเราจะรู้เองว่าจิตนี้ได้ถึงที่สงบแล้วเหมือนกับรถยนต์ mm. เมื่อขับรถเมื่อรถมันจอดนิ่งแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจอดนิ่งแต่ถ้ามันยังยังวิ่งอยู่เพีงถึงแม้จะไม่ได้เร็วถึงแม้จะลดความเร็วลงแต่มันยังนิ่งอยู่ก็อย่าอย่าไปผ่อนเบรกเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเหยียบไปจนกว่ารถจะนิ่งถึงจะปล่อยเบรกได้การดูลมก็ดีการบริกรรมพุโทโธก็ดีเป็นเหมือนการเหยียบเบรกของใจ เหยืไปเรื่อยๆอยู่กับพุโทโธไปเรื่อย ๆ, ๆอยู่กับลมไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะนิ่งสงบ อ, อนิ่งสงบแล้วมันจะรู้สึกที่มีความอัศจรรย์ใจใจเริ่มใจเกิดความเบาขึ้นมาเกิดความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆไปอยู่กับความสุขนั้นไปจนกว่ากําลังของสติจะหมดลงก็จะถอนออกมาต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมานั่งกันในตอนนี้ ให้มีสติกำกับใจอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาเพ อ, อ่ประมา ณ, อ, อ, มาณอีกประมาณสักยี่สิบสี่นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้ แล้วขราหน้าเวลามานั่งก็จะใช้วิธีเดิมต่อไปได้เลย <c oughs> อย่านั่งแล้วอยากให้สงบเพราะความอยากให้สงบมันจะไม่สงบต้องนั่งตามวิธีที่ถูกต้องเ <c oughs> ช่นวันนี้ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยควรจะฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่ง <c oughs> เราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันนั้งจะตื่นจนหลับโดยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อย หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปแล้วต่อไปเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นถ้าต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเลวะหาปุราปริปุรเรนติสักลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังป ก, ปกปัปะิ อิติังปิติตัตุมหังคิปะเมวาสนิชาตุสัพเพปเรมตุสังขปาจันโทปะนะระโสยทามะนิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรควินาสตุ มาเตภาวะตวันตรายโสกิตีกายุโคภาวะอภิวาธนศิลิสะนิจังุทธาปจายโนยตาโรธรรมะวาทานติอายุมโนสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้พี่ผู้รับฟังธรรมหานากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ247ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์287 YouTube ดรว47วิทยุออนไลน์6 c l ับ h o u s e ไม่มีค่ะนากุติ170รวมทั้งหมด757ท่านค่ะ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะพระเจ้าจาักรพรรดิกับพรมชันวิหับพราภูมอันไหนดีกว่ากันเจ้าคะไม่ดีทั้งนั้นอ่ะถ้ายังเกิดอยู่ไม่ดีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอราหารนต์ันดีที่สุดคำถามจากทางอินบ็อค่ะศีลเกิดขึ้นตอนไหนครับ ถ้าวันนี้เราไม่ค่าสัตว์ทั้งวันรักษาศีลจะเกิดบนกับตัวเราไหมครับยังไม่เกิดเหรอต้องเวลายุงมากัดแล้วดูที่จะตกมันหรือเปล่าคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะคือผมนั่งสมาธิโดยการบริกรรมพุทโธ ไปสักพักพุทธโธก็จะหายแต่จิตกลับมีเรื่องนน้นเรื่องนี้เข้ามาผมควรจะคอยดูจิตว่ามันจะคิดถึงไหนหรือพยายามดึงกลับมาพุทธโธพยายามอยู่กับพุทธโธห้ามคิดเรื่องอื่นถึงจะถูกครับถูกต้องต้องอยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวถ้าอยู่พุทธโธไม่ได้ก็สวดอยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทิติปิโสไปก็ได้หรือสวดอะไรก็ได้ให้จิตมันมีอะไรเกาะจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ คำถามจากทาง in-box ค่ะถ้าไม่ถนัดใช้คำว่าพุทธโธสามารถใช้คำกำกับหรือที่เรียกว่าคำบริกรรมอย่างอื่นได้ไหมคะเช่นกำกับอาการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นซ้ายขวาก้มเงยงอเหยียดเคี้ยวกลืนถ่ายค่ะก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในกำลังทำอะไ ร, ร, รอยู่ถ้านั่งเฉยๆมันไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องใช้พุทโธหรือใช้การดูลงหายใจเขาออ้า แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการทำอะไรเราก็ใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวไปแทนสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มความถี่ของคำกากับเมื่อลมหายใจยาวขึ้นเช่นเข้าเข้าเข้าออกออกออกหรือเวลาปวดบริกรรมว่าปวดปวดปวดได้ไหมคะออได้ลองทดลองดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าได้ผลหรือปเปล่าก็น้องดู คำถามจากทาง Facebook ค่ะปัจจุบันพบ ว, ว่าคนเป็นโรคทางสมองกันเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยากขอความเมตตาแนะนวทางด้วยเจ้าค่ะมันไม่ได้เป็นสมองนะมันเป็นที่สติสติไม่มีก็ะไรเกิดโรคจิตเกินขึ้นมาถ้ามีสติแล้วจิตใจก็จะเป็นปกติให้มายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆด้วยการสวดมนต์ด้วยการบ ร, รกรรมพุทโธด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไป อย่าปล่อยให้ใจคิดเลืล่อยไปยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านแลเดี๋ยวก็ถึงขั้นที่จะเสียสติได้อืยไ ม, มค่คำถามนี้คาถามน้อยญาติโยมที่อยู่ที่นี่มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้น ะ, อ, ะอันนี้สะดวกที่สุดเพราะเดี๋ยวเล่าวจะมาถามในภายหลังจะไม่สะดวกเพราะว่าต้องมี กิจกรรมอย่างอื่นต้องทำต่อญาติโยมบางท่านก็อยากจะมาขอถ่ายรูปบางท่านก็มาลาก็จะไม่สะดวกต่อการที่เราจะตอบคำถามการสนทนาธรรมนี่มันต้องอยู่ในสภาพที่นิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนจะได้มีสมาธิในการฟังฟังแล้วก็จะได้ประโยชน์จะเกิดความเข้าอกเข้าใจขึ้นมา ถ้านั่งแล้วมีเสียงกระทึกครื่อคมแล้วมีผู้คนเคลื่อนไหวไปไ ป, ไปมาๆก็จะลบคนสมาธิในการฟังได้ฟังเราก็อาจจะไม่เข้าใจคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะเวลาพิจารณาว่ามีตัวเรานี้ร่างกายนี้หรือไม่พิจารณาไปทั่วร่างกายแล้วรู้สึกวงงๆถัดจากนั้นความคิดก็หายไปต้องทำยังไงต่อครับ ก็คิดใหม่คิดจงกว่าเราจะเห็นว่าในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราเช่นให้ค้นหาตัวเราในอาการสามสิบสองของร่างกายถาม ด, ดูว่าเราเป็นผมหรือเปล่าเราเป็นขนหรือเปล่าเราเป็นเล็บหรือเปล่าเราเป็นฟันหรือเปล่าเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นกระดูกหรือเปล่าไล่ไปให้ครบสามสิบสองอาการที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายนี้พอเราค้นหาทุกอย่างในร่างกายนี้ ก็ไม่เจอตัวเราเราก็จะได้สรุปลงว่าไอ้ตัวเราไม่มีอยู่ในร่างกายนี้เราเพียงแต่ตูขึ้นมาคิดขึ้นมาเองว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราต้องมาแก้ความหลงของเราเองเราเป็นหลงคิดว่าเขาเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นเราเขาเป็นของดินน้ำลมไฟเขาทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องลับเกินสู่ดินน้ำลมไฟไปเหมือนกับเวลาที่ สมมติเราไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วเขาหยิบเด็กมาอีกคนหนึ่งมาให้เราเนี่ยลูกของคนอื่นมาให้เราเราก็ไม่รู้เราคิดว่าเป็นลูกของเราเราก็รักลูกคนนี้เอาไปเลี้ยงดูจนโตแล้วพอโตขึ้นมาหน้าตาเขาไม่เหมือนเราก็ไปหาหมอหมอตรวจดีเนี่อยู่บอกว่าไม่ไม่ใช่ลูกของคุณนี่นะแต่ยังไงก็ยังไม่ยอมอยู่ดีเพราะเราหลงรักเขาแล้วที่ว่าเป็นของเราแล้ว เหงแม้จะมีลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นของเราที่ก็สลับไปเอามาเปลี่ยนให้เราก็ไม่เอาละเพราะความหลงของเราความเชื่อของเราพอเราหลงอะไรเชื่ออะไรของเราแล้วมันมันฝังอยู่ในใจของเราว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาร่างกายนี้ก็เหมือนกันเราเป็นหลงคิดตั้งแต่วันที่มันมาเกิดในโลกนี้ว่ามันเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแล้วเราก็อยู่กันม า, มาตลอดเราไม่เคยมานั่งคิดพิจารณาทางด้านทางวิทยาศาสตร์เลย คิดหาเหตุหาผลดูถ้าเป็นตัวเราแล้วเราอยู่ตรงไหนเราเป็นคนคิดเนี่ยเราเป็นคนค้นหาเนี่ยเราไม่เอาเป็นร่างกายด้วยหรือแล้วเป็นคนละคนกันถ้าเราศึกษาธรรมะพทะเจ้าก็บอกว่าเราคือใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่ร่างกายเราได้ร่างกายมาครอบครองเป็นสมบัติเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งทนั้นเอง เราต้องคิดดูบ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะร้องออกขึ้นมาเองอ๋อนี่ไม่ใช่เรานาะเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําแต่ร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้อยู่ในร่างกายถ้าอยากจะให้เห็นชัดเจนก็ต้องนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิจิตสงบแล้วจิตกับใจก็จะแยกออกจากกันชั่วขา่าวแล้วก็จ ะ, ะเห็นอย่างชัดเจนชื่ออย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เราก็จะปล่อยร่างกายนี้ได้ต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่เดือดร้อนไปกับมันเพราะเรามองร่างกายนี้เหมือนอย่เรามองร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเป็นอะไรเราก็ไม่ได้เป็นเดือดร้อนด้วยดังนั้ร่างกายนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยได้ไม่ทุกข์กับมันได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ อำนาจแห่งศีลอำนาจแห่งธรรมคุ้มครองเราได้ไหมครับถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปรับผลของการกระทาบากการกระทาบาทนีจะส่งให้เราไปเกิดในอบายมีสีที่ด้วยกันไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอนุรกายหรือไปนรกถ้าไม่ทําบาปก็จะปิดประตูอบายได้คาถามจากทางเฟซบุกค่ะ ถือศีลสวดมนต์ถือศีลบริกรรมให้ทานทําบุญตลอดทุกวันพระเราอธิษฐานจิตไม่ไปเกิดได้ไหมคะขอไปสวรรค์จะได้ไปชั้นไหนคะคือขอไม่ได้ต้องสร้างเหตุขึ้นมาเหตุที่จะพาให้เราไปสวรรค์ก็คือต้องทําบุญให้มากกว่าบาปเวลาตายไปถ้าบุญในใจเรามีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจเราไปสวรรค์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจเราไปเกิดในอบายไม่ได้อยู่ที่การขอแล้วไม่ขอ ยู่ีการทาบุญและการไม่ทาบาปอันนี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปสู่สวรรค์ได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าคิดอย่างไรได้อย่างนั้นแล้วคนที่เป็นซึมเศร้าและแพนิกคิดล่ะคะจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าคะคิดอย่างเดียวไม่พอต้องทำด้วยคิดจะทำบุญอย่างเดียวยังไม่เกิดบุญขึ้นมาคิดจะทำบุญแล้วต้องไปทำบุญคิดจะทาบาปต้องไม่ทาบาป เช่นยุงมากัดเราตอนต้นคิดจะตบมันพอได้สติก็ฆ่ามันไม่ได้เป็นบาป ก, ก็หยุดการกระทํานั้นได้ไงั้นถึงจะถึงจะเป็นเป็นการกระทําขึ้นมาแต่ถ้าคิดเฉยๆยังไม่เป็นผลขึ้นมาคิดแล้วต้องทําตามที่เราคิดให้ได้คําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะอนัตตากับสุญญาตาเหมือนกันไหมคะสุญก็บอกว่าความว่างไงเหมือนเนี่ย ว่างสิ่งที่ว่างรอบตัวเรานี่เราเรียกความว่างส่วนอนัตตาเราเรียกว่าไม่มีตัวตนตัวตนไม่มีเช่นต้นไม้นี้ไม่มีตัวตนรถยนต์นี้ไม่มีตัวตนฉันใดร่างกายเราก็เหมือนต้นไม้เหมือนรถยนต์ไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ใจเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วเราก็คิดว่าตัวเราเป็นตัวตนตัวเราความจริงก็ไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ตัวตน เราเป็นผู้รู้ผู้คิดท่านนั่เองเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งเหมือนกับธรรมชาติ <c oughs> ของร่างกายที่เป็นธรรมชาติที่ทําจากดินน้ําลมไฟก็ไม่มีตัวตนเหมือนกับแม่บนทางฟ้าก็ไม่มีตัวตนฝนตกลงมาก็ไม่มีตัวตนที่ตกลงมา <c oughs> เป็นน้ําเป็นสภาวะธรรมทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตนทั้งทั้งหมดใจเราเป็นหลงสมมติกันขึ้นมาเองเท่านั่นเอง คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะอุเบกขาดีต่อการปฏิบัติสู่การเป็นพระโสดาบันไหมคะก็ดีกับทุกขั้นของพระอริยะต้องมีอุเบกขาเพราใจจะต้องวางเฉยเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยแลเวลาร่างกายจะตายก็จะ ต, จะต้องวางเฉยเฉยอย่าไปดินน้นรนอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะความอยากนี้จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจ ถ้ามีโอเบคามีปัญญาสอนว่าอย่าไปอยากก็จะมีกำลังอยู่ความอยากได้อยู่เฉยๆได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายคำถามจากทาง youtube ดกรวีค่ะศึกษาธรรมะทางคลิปมีครูบาอาจารย์แนะนำว่าทำสมาธิไม่สงบเพราะโกรธและอยากโกรธก็ให้เมตตาเข้าใจค่ะแต่อยากให้อยู่กับปัจจุบัน ขอความกรุณาขยายความตรงนี้ขอพระคุณค่ะก็อย่าไปทําตามความอยากนะให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันจะเป็นสุขตอนที่เราได้มาใหม่ๆแล้วต่อไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปแล้วมันหายไปมันก็อย่าทำให้เราทุกข์ขึ้นมาได้ทุอย่าไปอยากมีดีกว่าอย่าไปพอเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่พอเรามีแล้วเราก็จะต้อทุกข์กับมันเพราะเราต้องหวงต้องห่วง เสียใ จ, จ, จย ค, ยคำถามจากทางยูทูพระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเรามีสมถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกพุทโธในการใช้ชีวิตประจำวันหากเราประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเราจะไปดีไหมครับก็ขึ้น อ, อยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราทำว่าอันไหนมีมากกว่ากัน ถ้าบุญไม่มากกับบาปก็ไปดีไปสุขติถ้าบาปมากกับบุญก็ไปสู่ทุกขติใจของพวกเราทุกคนตอนนี้มีบุญ่าไมีบาป ม, ม, มันกับบัญชีที่เราไปฝากทั้นที่ธนาคารมีบัญชีเงินฝากแล้วมีบัญชีเงินกู้ถ้าเราไปตรวจสอบดูบางทีล้วก็อาจจะมีบัญชีเงินกู้มากกว่าเงินฝาก mm hmm. ก็แสดงว่าเราขาดทุน mm hmm. เราต้องไปใช้หนี้ ถ้าเรามีบัญชีเงินฝากมากกว่าเงินกู้เราก็กาไร อ, อันนี้ก็เหมือนกันในใจเราบาปก็เป็นเงินอีบบ้ยบัญชีเงินกู้บุญก็เป็นเหมือนบัญชีเงินฝากถ้าเงินฝากมากกว่าเงินกู้เราก็มีกาไรแล้วก็ไปสวรรค์ไปเที่ยวได้เอาเงินที่เป็นกาไรนี้ไปเที่ยวกันได้แต่ถ้าเงินที่เราไปกู้มากกว่าเงินที่เราฝากก็สแสดงว่าเป็นหนี้ก็ต้องไปใช้หนี้ไปติดคุกติดตารางเป็นต้น าเวลาตายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราตายแบบไหนตายแบบสงบหรือไม่สงบตายอะไรมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าบุญกับบาบมันไหนมีมากกว่ากันหมดแล้วยังคำถามมีคาถามจาก a ฟ e b o o k ค่ะใจดีให้เขายืมเงินแต่เขาไม่คืนเป็นกรรมของเราใช่ไหมคะเป็นบุญของเราที่ว่าเป็นการทำบุญไป ถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะปฏิบัติรรมาพอสมควรมีอาการศีรษะด้านขวาระเบิดออกไปละเอียดจากนั้นแล้วใจนิ่งอยู่คือสภาวะคือสภาวะอะไรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะเวลาจิตสงบก่อนจะสงบมันจะมีอาการแปลกๆบางทีเหมือนตกหลงตกลงจากที่สูงบางทีเหมือนกับมีผีมาอำอาการเหล่านี้มันเป็นการการแสดงของจิตที่ก่อนที่มันจะเข้าสู่ความสงบ ก็ให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นบัญญาของของใจที่มันจะต้องแสดงอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนที่มันจะยอมเข้าสู่ความสงบพอมันสงบแล้วทุกอย่างก็สบายก็ไม่ต้องกังวลกับมันเกอเป็นเรื่องธรรมดาหมดแล้วนะยังไม่มีคำถามอะไรโอเ ค, อเคถ้าอย่างนั้นนะท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ